ขอบอธนากับพวกเรานะีในสาธยายพุทธคุณธรรมคุณแล้วก็สังฆคุณกก่าคือการนอบน้อมในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังได้กล่าวไว้นะเอามาเอาบารมีธรรมของพระศาสดาในข้อของทานบารมีมาสรุปให้ฟังว่าพระศาสดานั้นนะ่ยท่านบำเพ็ญ ฐานเจตนาโยธาศีลเจตนาโยธาเนคขมเจตนาโยธาปัญญาเจตนาโยธาเวริยะเจตนาโยธาขันติเจตนาโยธาสัจจะเจตนาโยธาอธิฐานเจตนาโยธาแล้วก็เมตตาเจตนาโยธาอธิฐาอุเบขาเจตนาโยธาทานเป็นกองทัพ พระ อ, องค์ทรงเคลื่อนกองพลหรือกองทัพของฐานบา ร, รมีฐานอุปบารมีและฐานปรบัตบา ร, รมีอย่างกว้างใหญ่ไพศาลเพื่อให้ได้ปัจจัยหรือให้ได้มาซึ่งสัมมาสัมโพธิญานเนี่ยเมื่อพระมหาบุุษสำเนียกหรือพิจารณาอยู่นั้นนะเมื่อกายไม่สะอาดท่านบอกว่าผู้ต้องการราก ต้นไม้ใหญ่เนี่ยที่เป็นยาด้วยผู้ต้องการรากก็นารากไปผู้ต้องการสะเก็ดเปลือกลาต้นคาคบแกว่นกิง่งตลอดถึงดอกก็ย่อมนางผลนําดอกไปแม้ชั้นใดต้นไม้นั้นไม่เรียกร้องความวิตกกังวลว่าคนพวกนี้นําพวกเราไปแม้ฉันใดเมื่อกายไม่สะอาดอยู่เป็นนิดกายนี่ไม่สะอาดนะเราท่านทั้งหลาย กายไปนนี้เต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นน่าเกลียดใช่ไหมถ้ามาพิจารณาดูผมขนเล็บปันหนงังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจไตเป็นต้นเหล่านี้ตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่าหารเก่ามันสมองเป็นต้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดไม่รู้จักคุณด้วยนะเออไม่รู้จักคุณคืออะไรรู้ไหมเราพยายามประครบประงมทั้งแต่งตัวอย่างดีอาบน้ําอย่างดี พอกสบู่อย่างดีเอาผ้าหม่มมาพันกายอย่างดีคอยนวดคอยเฟ้นคอยอะไรต่างๆเหล่านี้คอยประครับพ ง, งมดูแลอย่างดีให้อาหารให้ยาหยอดสารพัดนะถ้าปวดถ้าเมื่อยขึ้นมาเบ็ดเสร็จก็ไปบีบไปนวดต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยไปหาหมอเอายามาให้เอายามันดูแลต่างๆมีการฉีดต่างๆในสารพัด แต่ท่านทั้งหลายมาพิจารณาดูไหมว่ากายนี้มันตอบแทนเราท่านทั้งหลายอย่างไรกายนี้้ามาพิจารณาดูแล้วเนี่ยกายนี้เขากลับไม่ได้ตอบแทนอะไรเราลเลยเขาไม่รู้จักคุณเลยเนะี่เขาให้อะไรมาเราให้ชาติทุกทุกเพราะการเกิดเนี่ยให้ชลาทุกทุกเพราะความแก่ให้พยาธิทุกทุกเพราะความป่วยไหม พยาที่ทุกข์ให้พราความเจ็บป่วยชราทุกขให้พราะความแก่มรณภาทุกข์ให้ความตายและยังเป็นที่ตั้งของความโศกความล่ำลายลําพันธ์ด้วยความไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจด้วยนี้แหละคือกายไม่รู้จักคุณจมอยู่ในชาติที่ทุกข์ชราทุกขจมอยู่ในห้วงมหันตทุกข์จมอยู่ในห้วงของภัยใหญ่แล้ว อันเราพูดถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สรปสัตว์โลกประกอบการเพื่ออุปการลแก่สัตว์เราอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกแม้เล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นโอ้ไม่ให้ควนไม่ควรให้กามมาพยาบาทวิตกเกิดขึ้นน่ยไม่ควรให้กามวิตกเกิดขึ้นไอ้ข้ากรากรกามวิตกเกิดขึ้นในกายเสียดายไงโอ้กายเนี่ยเราเสียดายเหลือเกิน จะไหมเราหวงเหลือเกินเรารักเหลือเกินท่านก็บอกว่าเอาละกายนี้ไม่รู้จักคุณกายนี้ไม่สะอาด จ, จมอยู่ในห้วงมหันตทุกข์มีทุกขคือการเกิดเป็นต้นเราจะไม่ให้กามวรตกเกิดขึ้นกับกายนี้จักให้จักไม่ให้พยาบาทวิตกความคิดชั่วในการความโกรธความเครียดทั้งหลาย อาศัยกายนี้เกิดจักไม่ให้วิหิงสาวิตกความคิดเบียดเบียนทั้งหลายเกิดขึ้นบอกจักไม่ให้วิตกที่ลามกเกิดขึ้นไม่ควรให้มิชาวิตกแม้เล็กน้อยเกิดขึ้นฉะนั้นเมื่อว่าความพิเศษในธรรมเครื่องทำลายกระจัดกระจายและกำจัดโดยส่วนเดียวอันเป็นมหาพูดภายในและภายนอกเป็นอย่างไรแต่ข้อนี้เป็นความหลงและความซบเซาอย่างเดียวเท่านั้น ถ้าถามว่ากายนี้พิจารณาไปแล้วมีอะไรเนี่ยดินน้ําไฟลมก็คือมหาพูดเนี่ยอีกส่วนหนึ่งก็คืออุปาทายรูปสีกิรลโอชาธาตุก็มีจักรคุป萨โสตประส菩萨คณาสา菩萨ชิวหาส菩萨กายะปรสา菩萨ใช่ไหมมีหัตถเยวัตถุมีความเป็นหญิงมีความเป็นชายเป็นต้นเห็นไหมถ้าพิจารณาอย่างนี้เห็นอะไรเราจะเห็นว่ากายนี้ย พิจารณาไปแล้วที่สัตว์ทั้งหลายสำคัญว่าเราเป็นของของเราเนี่ยแ ท, ท้จริงก็มีประกอบไปด้วยดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาธาตุแล้วก็มีพวกประสาท ต, ตาประสาทหูประสาทจาทั้งจมูกนไแล้วก็ประสาทลิ่นประสาทกายเท่านั้นเองแล้วก็ความเป็นหญิงความเป็นชายแล้วก็มีความเบาความอ่อนความควรของกายมีการเคลื่อนไหวเป็นกายวิญญาตทางกายวาจีวิญญาตก็เคลื่อนไหวทางวาจา สรุปแล้วกายเนี่ยที่มีการเป็นไปอยู่เป็นของไม่สะอาดเลยแล้วก็พิจารณาไปแล้วเนี่ยไม่ใช่สัตว์บุคคลเลยนะทำพิจารณาดูในผมใช่ไหมก็มีดินน้ําไฟลมสีกลิ่นลดโอชาธาตุในขนก็ดินน้ําไฟลมสีกลิ่นลดโอชาธาตุเป็นต้นนะในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกสรุปก็คือธาตุสี่แล้วก็ตามมาด้วยอุปาทัยรูปรูปที่อาศัย นี่ก็คือไนมหาพูดมันหลอกลวงมหาพูดนี่หลอกลวงนะมันหลอกลวงยังไงเอาก็ไม่เป็นหญิงเรามองเป็นหญิงได้ไม่เป็นชายเรามองเป็นชายได้ไม่เป็นคนสวยเลยเรามองเป็นสวยได้ใช่ไหมเดี๋ยวมองเป็นสีเหลืองสีเขียวแท้จริงมหาพูดมันหลอกมันหลอกตาแล้วบาวเถอะมันหลอกอะไรเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นครูเป็นอาจารย์เป็น ผู้นําเป็นผู้ตามอะไรเยอะแยะไปเบียเศจนั้นมาหาพูดมันหลอกกันแล้วก็บอกมันหลอกลวงสารพัดเนี่นะนั้นมาพิจารณาเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นผู้ไม่ผู้ไม่คํานึงบอกว่าในเนื้อเป็นต้นแม้ในกายดุดสิ่งภายนอกพึงมีใจสละว่าผู้มีความต้องการสิ่งนั้นจงนำเอาไปเถอะ ท่านก็พิจารณานะกายนี้ไม่สะอาดไม่รู้จักคุณจมอยู่ในมหันต์ทุกใหญ่ฉะนั้นเราจะทำกายนี้ให้เป็นบุญได้อย่างไรนขนาดมีอยู่ชาติหนึ่งนะท่านเกิดเป็นพญากระต่ายนะลองคิดดูนะว่าไม่ต้องพูดถึงก่อนเป็นมนุษย์นะนาดเป็นกระต่ายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนะี่ย อัธยาศัยที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลอย่างยาวนานบ่งบอกให้เห็นอะไรไหูือไมฝังคุณของพระาศาสดาไว้ในกระแสะใจเธอถ้าท่านจะพลาดลงอบายภูมิท่านก็จะไม่เจ็บปวดมากแล้วท่านก็จะลึกขึ้นคุณของพระาศาสดาได้ในชาตินั้นท่านเกิดเป็นพยากระต่ายใช่ั้ยพอเกิดเป็นกระต่ายเบเสร็จท่านก็คิดท่านก็เริ่มคิดแล้วท่านก็เรียกพวกมานะ บริวารเหมือนกลุ่มเป็นสหายของท่านมาไม่ว่าจะเป็นลิงมาซุนักจิ้งจอกอะไรต่างๆเ้าเนี่ยนะหรือนากต่างๆเรียกมาก็อบรมนะเออท่านทั้งหลายวันนี้พระจันทร์เต็มดวงท่านรู้ไหมเออพระจันทร์เต็มดวงนี่คือวันพระนะบห้าค่ำเอาถามบอกว่าเราเนี่ยต่อให้เป็นมนุษย์ถ้าเราไปถือศาสนาอื่น พระจันทร์เต็มดวงเราจะรู้ไหมว่าส5บห้าคำไม่รู้เลยอ่ะลองดูเมื่อใจของท่านฝังคุณของพระศ า, าสดาไว้ในใจแล้วเนี่ยตายไปแล้วไปเกิดเป็นกระตายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมนความที่ท่านตั้งมั่ น, นว่าวันนี้วันโกลนวันนี้วันพระโอ้ถ้าพระจันทร์ยังไม่เต็มเต็มที่นี่สิบ่คานะ ถ้เต็มดวงนี่15คบหาท่านสังเกตจนฝังแน่นเป็นอัธยาศัยท่านเริ่มมองดวงจันทร์ตั้งแต่เด็กนะอัธยาศัยนะเข้าใจโอ่ะว่าเอโอเราจะรักษาอุโบโสถศีลแล้วก็เตือนเพื่อนท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะวันนี้เป็นวันอุโบโสถศีลว่าของเราท่านทั้งหลายจงให้ทานรักษาศีชลชําระตนให้สะอาดใครมีอะไรให้ทานนะว่างั้นนะแล้วก็รักษาศีล บรรดาเพื่อนๆไปทิ้งหลายก็พากันไปสมาทานรักษาศีลก่อนจะรักษาศีลเตรียมอาหารด้วยนะเออวันนี้เราจะให้อะไรเป็นทานดีนะเนี่ยสัตว์บางจําพวกก็ไปหาปลามาบางจําพวกก็ไปหาสิ่งของต่างๆมาที่มันสัตว์ที่ตายแล้วอะไรต่างๆเนี่ยมาเออแล้วกันทาใจให้จดจอ่อเอยวันนี้ใครนะยาจะ ม, ยมียาจกมีผู้ต้องการมารับทานของเราไหมหรือนาะเป็นต้น พยากระตายก็ไปเหมือนกันใช่ไหมมาพิจารณาดูเออเนี่ยเราไม่มีเลยเราจะให้ยาเป็นทา น, นยังให้ผลไม้เป็นทานเราก็หาไม่ได้ให้เนื้อเป็นทานก็ไม่เป็นเราไม่ได้กินเนื้อเนี่ย เ, ออเราจะให้ยาเป็นทานจะไม่ให้ยังไงเนี่ยพิจารณาไปอยากกันนั้นเลยรีบอาบน้ําชำระร่างกายให้สะอาดเลวถือโบสดตัณศินตั้งอัธยาสัยวันนี้ ถ้าเรามีคนมาขอเนื้อเราเป็นทานเราจะโดดปิ้งนะเราจะโดดย่างเนื้อของเราเป็นทานเลยว่างั้นดูใจของท่านดีเนี่ยตอนนั้นก็เม็ดร้อนไปถึงเทาา้าสกาัท้าสกัดทุกการตรงอยากจะลองใจว่าจริงไหมเนี่ยเท้าสกะลงมาเป็นมานพมาแล้วโอ้อยากจะกินเนื้อก็ต่ายแล้วมเมสเซจว่าขอให้ก่อกองไฟให้หน่อยเถอะเพราะก่อท่านก็เดินมาณศิการเนี่ย พิจารณาวนรอบกองไฟพิจารณาโอ้เนี่ยใจของเราก็อาหารใจของเราก็ตั้งมั่นในโพธิญาณนะเนี่ยเนื้อของเราจะอาดหมดจดนะแล้วท่านก็สลัดสลัดอะไรสลัดขนทำไมท่านถึงสลัดสลัดด้วยไหมท่านกลัวจะมีมแมลงอะไรไปติดอยู่ในขนของท่านน่ยใช่ท่านกลัวมแมลงอ่ะ ฉะนั้นเวลาท่านกลัวมแมลงต่างๆเนี้จะติดในขนของท่านท่านก็สลัดหนีทิ้งไปเมื่อท่านสลัดออกเบ็ดเสร็จเหล่านี้เมื่อไม่มีสัตว์ต่างๆเหล่านั้นท่านคิดว่าไม่มีแล้วท่านก็โดดเลยไหมโดดตัวเองเข้ากองไฟเนะี่ยย่างเนื้อตนเองให้ให้ชีวิตเป็นทานเลยนี่ขนาดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังกล้าขนาดนั้ น, น, นเนี่ย เมื่อมหาบุรุษสำเหนียกว่าประกอบความเพียรเพื่อตัสรู้สำมาสัมโพธิยานไม่คํานึงในกายและจิตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจึงเป็นอันบริสุทธิ์ด้วยดีโดยไม่ยากเลยพระมหาบุรุษนั้นมีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์ด้วยดีนะถามว่ากายกรรมบริมโนกรรมนะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบริสุทธิ์เป็นศีลด้วยนะเห็นไหมเป็นศีลด้วยมีอาชีพบริสุทธิ์ เป็นอาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีล น, นะถามบอกว่ารักษาศีลนนะ่ยไม่ใช่กายบริสุทธิ์อย่างเดียวไม่ใช่วาจาบริสุทธิ์อย่างเดียวนะใจก็ไม่โลภใจก็ไม่โกรธใจก็เป็นไปกับปัญญาด้วยอย่างนั้นเขาเรียกกุศลศีลกําลังเดินในกระแสของชีวิตของสัตว์เหล่านั้นแล้วอย่างนั้นก็าเรียกตั้งมั่นในปาฏิโมกขังวรศีลแล้วท่านก็มีอาชีพบริสุทธิ์ด้วยอาชีพบริสุทธิ์คือ อาชีวะปริสุทธิ์ศีลตั้งอยู่ในการปฏิบัติเพื่อรู้เป็นผู้สามารถอนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยการถึงพร้อมเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายและการบริจาคทยธรรมเป็นประมาณยิ่งและจการให้อภัยโอ้ยท่านไม่ได้ให้แต่ท่านไม่ได้ให้แต่ทานอย่างเดียวนะไม่ได้ให้วัตถุทานภายนอกเป็นภิรทานอย่างเดียวแม้อชัก อชัติการทานทานที่เป็นภายในท่านก็ให้และไม่ใช่ให้แค่นั้นแม้อาภัยทานท่านให้ไหมอาภัยทานท่านก็ให้ท่านไม่โกรธไม่พยาบาทไม่อาฆาตไม่ปองร้ายใครเลยมีใจเป็นไปกับเมตตานะมีความรากักความปรารถนาดีความเอือ้ออาทรแบบจับจิตจับใจด้วยและในขณะเดียวกันท่านก็ให้พระสัตวรทำนี่เป็นในทางการพิจารณาในทานว่า ให้ธรรมทานด้วยและการให้ธรรมทานของพระโพธิสัตว์นี่นะท่านไม่ให้ธรรมทานที่วิปลิตคำสอนข้อมูลที่จะบอกกล่าวให้กับสัตว์อื่นหรือบุคคลอื่นเนี่ยพระโพธิสัตว์ต้องวิจัยนะว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีที่ไปมีที่มามีเหตุผลมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรเป็นต้น เมื่อท่านพิจารณาว่าข้อมูลเหตุผลหลักฐานหลักธรรมเหล่านี้ถูกต้องครบถ้วนทั้งมีความงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดถึงพร้อมได้อัถฐและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงท่านก็ให้คําสอนเหล่านั้นที่ไม่วิปริตอย่างนี้ไม่มีสิ่งต่างๆมาเจือปนเนี่ยการให้พระสัตธรรมท่านให้แบบนี้นี้เป็นในแห่งการพิจารณาธานบ布拉มีเนะีในข้อต่อไปใช่ไหม ในครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันในเรื่องของศีลจําได้ไหมถ้าใครมาครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดเรื่องศีลใช่ไหมพูดในเรื่องของเจตนานศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมศีลเลยแต่เนี้ยถามว่าเจตนาศีลเป็นอย่างไรเจตนาคือความจัดแจงจงใจที่จะทํากายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจัดกระจาย ไม่ให้ซ่านไปกับบาปคือกายทุจริตสและวจีทุจริตสีใช่ไหมไม่ทุจริตทั้งหลายเกลือกล้วเป็นไปกับกายกรรมไม่ให้ทุจริตทั้งหลายเกลือกลั้วเป็นไปกับวจีกรรมแม้จิตใจของท่านก็ไม่ให้มโนทุจริตเกิดขึ้นนั่นแหละเขาเรียกว่าเจตนาศีลเจตนาศีลเป็นไปสองส่วนนะเจตนาในการปฏิบัติตามหน้าที่ เป็นพ่อแม่ปฏิบัติต่อลูกลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่อาจารย์ปฏิบัติต่อศิษย์ศิษย์ปฏิบัติต่ออาจารย์เพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนใช่ไหมสามีภรรยาเบ่าไพร่หรือว่าเพาะปฏิบัติต่อพี่ป้าน้าอาทั้งหลายแม้ปฏิบัติต่อข้าทาสบริวารหรือปฏิบัติต่อพระพุทธเจ้าสาวกของพรุทธเจ้าเป็นเจตนาศีลนะอย่างยกตัวอย่างเช่นเรากับพ่อแม่ ถ้าเป็นลูกเนะี่ยทำไงท่านเลี้ยงเรามาก็เลี้ยงท่านตอบใช่ไหมการเลี้ยงทําตอบเลี้ยงด้วยอะไรทํากิจอะไรเป็นเจตนาศีลเจตนาศีลตอนนั้นจิตเป็นยังไงท่านเลี้ยงเรามาตอนเลี้ยงท่านตอบก็เลี้ยงโดยกุศลจิตเป็นเจตนาศีล น, นะมีความรักความปรารถนาดีด้วยมีเมตตาต่อท่านด้วยในขนาดประพฤติปฏิบัติไปก่อนคิดอะไรเราตามทํา เราทําตามจารีสินที่พระศาสดาทรงวางไว้เราปฏิบัติตามพระศาสดาเราปฏิบัติเพื่อเป็นพุทธบูชาเนอะเราบูชาคําสอนของพระศาสดาบูชาพระศาสดาในการปฏิบัติเจตนาศีลปฏิบัติต่อพ่อแม่ท่านเลี้ยงเรามาแล้วก็เลี้ยงท่านตอบตอนนั้นใจเป็นกุศลจิตเนะเมื่อใจเป็นกุศลจิตเป็นไปด้วยความปราบปลื้มโดยปีติเ อ, อิบออิ่ม เดาเราได้ทําตามคําสอนของพระศ า, าสดาแล้วช่วยทํากิจของท่านดํารงวงตระกูลทําตนให้เหมาะสมเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทําบุญอุทิศให้ท่านทำํำ ไ, ไม่ขาดสายเลยไม่บกพร่องเลยเราทําบูชาคายบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใจเป็นกุศลไหมเป็นไปกับกุศลอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเขาเรียกเจตนาศีลถ้าเจตนาศีลไม่แข็งแรง ที่เป็นไปกับข้อปริบัติในทิศทั้ง6ไม่แข็งแรงแล้วเนี่ยเจตนาศีลที่เป็นไปในการที่จะทำกายกรรมวจีกรรมไม่ให้เกลื่อนกลนไม่ให้กระจ็ดกระจายไปด้วยบาป อ, อกุศลธรรมอลามกจะเป็นยังไงก็ทำไม่ได้ก็ไม่แข็งแรงใช่มเพราะไม่มีอุปนิสยปปจจัยไม่เป็นปัจจัยที่เป็นที่อาศัยที่มีกาลังไม่สามารถที่จะทากายวาจาให้สะอาดให้หมดจด เป็นไปกับกุศลศีลได้และจิตใจก็ไม่ออกจากความโลภความโกรธและความเห็นผิดได้เพราะกุศลศีลเนี่ยเป็นไปเนะี่ยไม่ใช่มีแค่เจตนาอย่างเดียวนะเจตสิกคือความไม่โลภก็เกิดในนั้นความไม่โกรธก็อยู่ในนั้นและปัญญาคือเป็นกุศลศีลก็มาเกื้อกูลมาพิจารณาวกกรรมที่เราทำเนี่ยเป็นกรรมที่เหมาะสมเป็นกรรมที่สมควรต่อ สัตว์บูรุษทั้งหลายคนดีคนมีปัญญาทั้งหลายเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เพื่อการขัดเกลาว่อการเจริญงอกเงยในพระศาสนาของพระชินเจ้าอันประเสริฐนี้ฉะนั้นเราจะอบรมกายคือเจตนาศีลที่เป็นส่วนของการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอุปชาอาจารย์กับมิตรกับบุคคลทั้งหลายเนี่ยเราจะอบรมกายส่วนนี้ให้หมดจดแล้วเราจะพัฒนา จากการอบรมกายเข้ามาสู่ชั้นของการอบมรมศีลอบรมเจตนาศีลเจตสิกศีลสังวรศีลอวิติกรมรมศีลเพื่อจะออกจากปานาติบาตไงคือการฆ่าออกจากอธินาทานคือการลักไงออกจากกาเมสุมิจชาจารคือการประพฤติผิดในการมไงออกจากมูสาวา่าคือการพูดเท็จออกจาก ปีส่วนอวาจาคือการกล่าวส่อเสียดออกจากพรุศวาจาคือการกล่าวคําหยาบออกจากสัมผัสปลาปลาคือการพูดเพ้อเจอ้อออกจากพยาบาทคือความโกรธความเครียดออกจากความโลภความยึดติดข้องในวัตถุที่เป็นกาโมาวัตถุทั้งหลายแล้วก็ออกจากความหลงความไม่รู้ตามความเป็นจริงออกจากความมินผิด ฉะนั้นจักทำกุศลศีลให้ไหลในกระแสะใจนี้แหละเขาเรียกศีลนี่แข็งแรงแล้วศีลมันเกิดขึ้นจากการใคร่ครวญศีลมันเกิดขึ้นจากการวิจัยศีลมันเกิดขึ้นจากความเข้าใจศีลหลักการใช่ใช่ใชมมีหลักการ5ข้อ8ข้อ เข้อ10ข้อว่าไปของคารวาสเนื้อขลักสุดตันตศีลศีลที่มาในพระสุดตันตบิดอกมีทีคณิกายศีลแขันธวักเนี่ยศีล5ศีลแปดขลักอาชีวธรรมกศีลศีลที่มีอาชีวะเป็นที่8ศีลแที่ศีลอุโบสถก็อย่างนะอุโบสถศีลแล้วก็ศีล9เพิ่มเมตายข้อง ใช่ไหมจาก8ใส่เมตตาเมตตาสหคเตนะเจตาสาเนี่กลางทิสพภริตวาสมาธิยามิก็สมาทานเมตตาอีกข้องนอกจากมีศีลก็สมาทานเมตตาอีกข้องสมทับกลายเป็น9้าเนี่ยนะแล้วก็ศีลสิบก็แหมนานๆก็ไม่ยินดีในเงินและทองสละสักครั้งหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ดีหรือว่าสักห้าวันหวันเนี่นะเพื่อเป็นการถือศีลสิบนี่ครวญว่าก็ถือกันเนี่ยนะเพื่ออะไร เพเป็นการขัดเกลวหัดภาคจิตออกจากทรัพย์สินเงินทองเครื่องประดับบ้างนี่นะถ้าทำอย่างนี้เป็นยังไงกุศล ส, สินเจริ ญ, รญไหมกุศล ส, สินก็จเจริญ น, นี่เป็นอย่างนี้เนี่ยสำเนียกพิจารณาอย่างนี้นะถ้าพูดถึงในเรื่องของวิรติสินสัมมาวาจาใช่ไหมการกล่าววาจาที่เว้นจากวจีทุจริตสีสัมมากรรมตะการกระทําที่เว้นจากกายทุจริตสาม สมาชีวะเว้นจากกายทุจริตสามและ ว, วจีทุจริตสี่ที่เกี่ยวกับอาชีพกับพิจารณายัางไงเนาะเจตสิกศินจะเกิดในส่วนของวิรตีหมายบางคนเรียนวิรตีเจตสิกมาในปริเฉต ท, ที่สองเรียนมาตั้งนานแล้วเนาะบอกว่าวิรตีมีอะไรเป็นอารมณ์นะ เวรตีมีวัตถุที่ควรงดเว้นที่ปรากฏเฉพาะนะเป็นอารมณ์เฮ้แล้วมันเกิดยังไ ง, งไม่เข้าใจนะถามว่าเจตนาที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเป็นอกุศลนะบางคราวก็โลภนี่แหละเป็นเหตุแห่งการฆ่าบางคราวก็โกรธนี่แหละเป็นเหตุแห่งการฆ่าบางคราวก็หลงนะเจตนาที่เป็นไปกับโลภะเจตนาที่เป็นไปกับโทสะ เจตนาที่เป็นไปกับโมหะนี่แหละเป็นเหตุแห่งการฆ่านี่เจตนาที่เหตุเป็นเหตุแห่งการลักนี่เจตนาที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกามเห็นไหมเจตนาเหล่านี้เป็นไปทางด้านของกายยทุจริตสามเนี่ยทุศีนทางกายนะนั้นน้อมที่จะทุศีนทางกายเอาแล้วตัวสัมมากรรมตะสัมมากรรมตะตัวนี้เวรตีตัวนี้มาตัดรอนอะไร ตัดรอนเวระเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักเวรเจตนาอกุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในกรรมยังไงไปตัดรอนเวทเจตนาเหล่าเนี้ว่าถ้าเรานั่งอยู่ในใจที่เป็นกุศลไอเวรเจตนาที่อยู่ในโลภะโทสะโมหะที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าการรักการประพฤติการอย่าเข้ามานะ อยากเข้ามาในกระแสใจนะมันจะทํากิจในการตัดรอนทุกครั้งเลยไหมต้องให้เกิดบ่อยๆไหมต้องให้เกิดบ่อยๆวัตถุใดๆต่างๆที่เป็นปัจจัยเก่การฆ่าได้ต้องวิจัยให้ดีนะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเผือเลยเป็นโกรธขึ้นมาไปเดี๋ยวก็ตั้งอัตยาใสาในส่วนจริงไม่ฆ่าวันนี้พรุ่งนี้ฆ่าได้ไหมพรุ่งนี้ไม่ได้อาทิตย์หน้าอาจจะฆ่าได้ อาทิตย์หน้าฆ่าไม่ได้เดือนหน้าปีหน้าชาติหน้าฆ่าได้มายุ่งแล้วเราทําไมถึงเจ็บปวดทุกวันนี้มันทนการฆ่าทนการเบียดเบีย น, นเนี่ยทําไมโรคภัยไข้เจ็บเราจึงเยอะทําไมเราจึงอายุสั้นทําไมยติสนิทมิตรสหายของเราจึงมีแต่คนเจ็บป่วยเต็มไปหมดเนี่นยูเวลาเจตนาอคติที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าการเบียดเบียนมันเยอะ พิจารณาเห็นโทษเราจะได้สมาทานนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเจตนาที่เป็นที่เป็นไปกับโลภะโทสะที่เป็นไปตัวเฉพาะเจตนาที่เป็นใบกระโทสะที่เป็นเห็นการเบียดเบียนนี่เป็นเหตุแห่งการฆ่าเป็นเหตุแห่งความโกรธความไม่พอใจทั้งหลายแก่สัตว์อื่นบุคคลอื่นจักไม่ให้เกิดขึ้นในกระแสใจข้าพเจ้านับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวมันก็จะเป็นเหตุแห่งการร่วงละเมิดไม่เอาอีกแล้ว เห็นโทษของบาปกรรมบาปอคติลธรรมลามกแล้วม si ันให้ผลละเจ็บปวดทรมานมากใช่ไหมไม่ได้รับความสุขเลยคนบางคนเกิดมาแข็งแรงเดี๋ยวเราอ่อนแอคนบางคนเกิดมาเนี่ยเขามีโรคภัยแค่เจ็บน้อยแต่เรามีโรคภัยแค่เจ็บมากคนบางคนเกิดมาเขาอายุยืนยาวเราอายุสั้น <|ja|> คนบางคนเกิดมาเขามีผิวพรรณงามเดี๋ยวเราผิวพรรณไม่ดีเนี่ยนะโอ้พิจารณาอย่างนี้แม้ไม่ใช่มีใครเบียดเบียนเรานะบาปอักรษรนธรรมอลามกโทษจากการทุศีเนี่ยเบียดเบียนเราเองเนี่ยนะพอพิจารณาอย่างนี้เห็นโทษไหมพระศ า, าสดาเห็นยังไงพระศ า, าสดาจึงบำเพ็ญศีลบรารมีเพื่อจะขนสัตว์หรือสัตว์ก็เอาศีลมากล่าวบอกเราว่าท่านทั้งหลายไม่มีใครทําความเจ็บปวดให้กับท่านทั้งหลายนะ ท่านทั้งหลายเป็นผู้กระทาเองเฉนั้นเราก็ทําเองตอนในขณะที่ทำเราก็ทํำด้วยความมัวเมาทำด้วยความเมามันนะแต่ตอนรับผลของมันเนี่ยเราก็น้ําตาหนองหน้าบางคนบออุย้ยไม่กลัวรอกไม่กลัวรอกที่ไหนได้พอผลของบาปอากุศลธรรมมันให้ผลขึ้นมาก็แสนจะทรมานทุกทรมานเนอะเวลาไปคุยคนอื่นก็แก้งหน้ายิ้มนะ แกงบอกโอ้ห็นเป็นไรเราสู้ได้เราทนได้แต่ความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นนะเราไม่สามารถจะให้ใครช่วยเราได้นะสามีก็ไม่สามารถช่วยภรรยาได้ภรรยาก็ไม่สามารถช่วยสามีได้ลูกก็ไม่สามารถช่วยพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่สามารถช่วยลูกได้คนอื่นไม่ต้องพูดถึงกรรมของใครท่านพุท น, นั้นต้องรับเองนะไอ้สุจเลตกรรมทุจริต ก, กรรมเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติของสัตว์อย่างถาวรเลย ขลุกกรร ม, มสกาสตาไงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมมีกุศลกรรมอกุศลกรรมมีสุดจิเกรรมและทุจริเลรกำเนี่ยเป็นทรัพย์สมบัติอย่างถาวรนะแต่ก่อนเราก็นึกว่าเรามีญาติใช่ไหมนี่เป็นญาติเรานะเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นพี่เราเป็นน้องเราคิดเอาเองหมดเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าญาติชั่วเขาเขาเรียกญาติชั่วเขาไม่ใช่ญาติถาวรล็อก บางทีลมหายใจยังไม่ขาดเดินออกจากกันไปแล้วแต่สุดจรจตก ร, รมทุจยเตก ร, รมเนี่ยโทษของความมีศีลโทษของความทุศีลอันอิสงของการมีศีลเนี่ยไอสุจริตกรรมและทุจริตก ร, รมเหล่านี้จะเป็นญาตเป็นญาติถาวรเป็นสมบัติของสัตว์นั้นอย่างถาวรเงินทองรัตนาชาติเนี่ย เป็นสมบัติของสัตว์เหล่านั้นชั่วยังใช้เขาได้ยังสามารถบริหารได้บางคราวนี่เดินออกมาห้าวาก็ไม่ใช่ของเราแล้วใช่ไหมตอนนั้นพระเจ้าปเปอร์เนที่โกศลท่านก็คิดว่าเนี่ยแฟนโกศลเป็นของท่านมีอยู่คราวหนึง่งท่านบริหารงานผิดพลาดท่านระแวงพันธุลาเสนาบดีเนาะ พร้อมด้กับลูกชายว่าเออเนี่ยี่พันตุราเสนาวดีเนี่ยเป็นอมาตแล้วมีฝีมือมากชำนาญมากแล้วแถมลูกชายก็ชากาจการมีลูกั้งมากมายลูกทั้งยี่สิบสามสิบคนอ๋อโอ้โหท่านเกิดละแวงกันมาไม่ได้เลยเนี่ยถ้าขืนแล้วก็มีคนยุปุ๊บท่านไม่ทันได้ใครควรพิจารณาระแวงไหย ต่อไปจะเป็นอันตรายต่อราชบัลลังก์นะ